วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพศ2540การบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมปบาทตอนสมณะาพามวัคโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าทอีกกล่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาโดยลำดับวักนี้มีชื่อว่าสมณะรามวักซึ่งก็แปลว่ารวมเรื่องผู้ที่เป็น และผู้ที่ไม่เป็นพรามตามความหมายของพระบุตธเจ้ามีทั้งหมดสิบเอ็ดสูตรแต่เนื่องจากว่าเนื้อหาของสูตรทั้งสิบเอ็ดนี้มีเนื้อหาคล้ายๆกันอ่าจึงได้ระมวลย่อเหลือเพียงแค่หนึ่งหน้ากระดาษขึ้นแล้วเราก็จะใช้เวลาพูดแต่ไม่นานก็จะจบวักที่ 8. แปดเพราะว่าสิบเอ็ดสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านแสดงถึงผู้ที่รู้ปฏิจจสมุป บ, บาทแต่ละองค์ ปฏิปไตยเนี่ยมีทั้งหมดสิบสององค์แต่ในสิบสององค์นี้องค์ที่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันโดยสมบูรณ์มี อ, องค์คืออวิชชาอาวิชชาไม่ได้เป็นที่สุดของปฏิจจสมุปบาทก็เลยเลยกลายเป็นว่าอาวิชชานั้นเป็นส่วนของสังขารคือเป็นเหตุเกิดสังขารสงเคราะห์อยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังขารจึงปฏิจจาเหลือสิบเอ็ดองค์และในสิบเอ็ดองค์นี้ อ, องหนึ่งหนึ่งของการกําหนดรู้โดยนัยยะของอาเดียสัตสีคือชรามรณะรู้ตัวชรามรณะในฐานะเป็นทุกข์รู้เหตุให้เกิดชรลาและมรณะคือชาติเหมือนสมุทัยรู้ความดับของชรลาและมรณะเหมือนนิโรธรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับชรลามรณะเหมือนมักหรือเป็นมัก อ, อันนี้ก็นับเป็นสูตรหนึ่งและสูตรที่กล่าวถึงชาติโดยนัยยะสี่ กล่าวถึงพบโดยนัยสี่ไล่ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงถึงสังขารโดยนัยสี่ก็เป็นสูตรหนึ่งหนึ่งจึงเหลือจึงเป็นสิบเอ็ดสูตรนะครับที่กล่าวอยู่ในปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งร่วมสายกันเราดูสูตรที่หนึ่งแล้วก็จะสามารถกำหนดส่วนที่เหลือได้โดยความเป็นสูตรเดียวกันถ้าผู้มีประภาคประทับอยู่ณนะ พระเชตวันอารามของท่านอนาตาบินติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชรลาโมรณะไม่รู้เหตุเกิดชราและมรณะไม่รู้ความดับชรามรณะไม่รู้ปฏิปทาถึงความดับชรลามรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นพรามณ์ในหมู่พราหมณ์อันหนึ่งท่านผู้มีอายุเหล่านั้นจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นธรรมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ไม่ได้ต่อไปตรัสโดยนัยะตรงกันข้ามส่วนสมณะพราหมณ์ก็ดีสมณะหรือพรามณ์ก็ดีเนเราได้เหล่าหนึง่งย่อมรู้ชะลาโมานะรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้ปฏิปทาถึงความดับเป็นชะลาโมานะ ธรรมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมได้รับสมมุติว่าเป็นธรรมะในหมู่ธรรมณะย่อมได้รับสมมุติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอันหนึ่งท่านเหล่านั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นธมณะและประโยชนแห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี่ก็เป็นนันจบสุดหนึ่งที่ยกชะลามมณะขึ้นมาเป็นที่ตั้งแล้วก็กล่าวในส่วนหนึ่งความรู้ส่วนหนึ่งความไม่รู้ในทางอธิบายนั้นก็จะอธิบายว่า ท่านกล่าวถึงความรู้ปฏิจจะองค์นี้คือชลาและมรณะซึ่งความรู้นั้นเป็นความรู้ของบุคคลและบุคคลผู้ที่รู้ก็เป็นพวกหนึ่งคือเป็นพรามจริงๆเป็นตํานางจริงๆผู้ที่ไม่รู้ก็เป็นพวกหนึ่งไม่ใช่เป็นพรามไม่ใช่สมณนะแม้ว่าจะบวชแม้ว่าจ ะ, ะสมมติใครจะมาคิดแต่งตั้งอย่างไรก็เป็นสมณะแต่ทางกายภาพเท่านั้นเป็นพรามแต่ทางกายภาพเท่านั้น ไม่ใช่พรามจริงที่ท่านกล่าวถึงปฏิจจะข้อที่เรียกว่าาลามมนณะโดยนัยยะของอริยสัจสี่เนี่ยนะครับผมจะอธิบายในทางการรู้ของผู้ปฏิบัติว่าเมื่อเวลารู้ปฏิจจะองค์หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะรู้โดยนัยยะของอริยสัจสี่เสมอตั้งแต่ต้นเช่นว่าเรากำหนดรู้ฉลาและมรณะ ว่าอันนี้เป็นจลาและมรณะจะเป็นความรู้ในชั้นหยาบหรือความรู้ในชั้นลึกคือลงไปถึงอนิจจังทุกขังนาตาก็ดีเอาความว่าตัวนี้มันคือรูปนามนะรูปและนามที่ไม่น่ายินดีถ้าเรารู้อย่างธรรมดาว่าชราและมรณะอย่างเป็นรูปเป็นนามอย่างง่ายๆก็เป็นจิ่งไม่น่ายินดีเป็นทุกข์และถ้ารู้ลงไปเห็นความเกิดความดับคือความดับ น, นี้ก็หมายถึงความดับ ความโทมไปของนามและรูปและความดับของรูปก็เป็นการรู้อนามรูปอย่างเข้าถึงลักษณะรู้อย่างลงลึกเมื่อรู้ในสาภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยโดยในธรรมดาของคนปฏิบัติธรรมก็จะต้องเห็นเหตุเห็นเหตุของนามรูปนั้นอะอะไรเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนั้นถ้ารู้อย่างกระบวนการของปฏิจจะเนี่ยก็ถือว่าเกิดมาเกิดมาจากความเกิดนั่นเอง ความอย่างยากก็คือเราเกิดในจึงมีอย่างนี้และถ้ารู้อย่างลงลึกก็คือเพราะนามรูปปรากฏจึงชลาจึงดับอย่างนี้ก็ย้อนกลับไปหาอุปาทาขณะของนามของรูปในฐานะที่เป็นเหตุอย่างเป็นเหตุไกลอแล้วก็ที่ว่ารู้ความดับของชลาและมรณะความดับตรงนี้ท่านหมายถึงความดับ แบบไม่ใช่เป็นขณะดับแบบไม่ใช่เป็นขณะที่เคยพูดกันมาเป็นครั้งคราวเนี่ยครับว่าดับตรงนี้หมายถึงความดับแบบไม่เกิดอีกคืออัจฉจริยะนิโรธความดับแบบไม่เกิดอีกคือดับแบบสละนามสะละรูปพ้นนามพ้นรูปเข้านิพพานนั่นแหละครับอันนั้นเป็นความดับรู้ความดับว่าทางตรงกันข้ามที่ตรงกันข้ามกับสภาวะของนามรูปเนี่ยมีอยู่และรู้ปฏิปทาก็หมายถึงรู้ว่า การที่เรากําหนดรู้อย่างนี้ทําอย่างนี้กระบวนการทั้งหมดเป็นทางที่จะทําให้เราสลายนามสลายรูปหรือพ้นนามพ้นรูปไปได้ไปสู่นิพพานได้อันนี้พูดแบบ่นัยยะของปริยัติแต่ถ้าคนที่เป็นคนปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจทับซึ้งโดยที่ผู้ปฏิบัตินั้นแม้จะไม่ได้เจริญโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทก็จะเข้าใจดันดีว่า เวลาที่เราปฏิบัติเทียนานามเป็นรูปในกระบวนการนั้งตีนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันผมได้เคยพูดเรื่องนี้มาโดยลำดับเ ด, ดิมๆแล้วแต่ว่าในชั้นนี้นะ่จะไม่ย้ำลงลึกจะขอผลัดไว้เมื่อผมมาบรรยายสรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาทในคลั้งหลังเมื่อจบเรื่องเรื่องนี้ซึ่งคงจะอีกสัก อ, อ, อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์จบแน่ แล้วก็จะสรุปอาจจะต้องใช้เวลาสรุปถึงสองครั้งก็ได้นะครับสรุปให้มันเป็นหลักเป็นอะไรทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะทําให้สิ่งที่เราพูดมาแบบตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยเนี่ยจะมาอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะ ร, รวมทั้งเรื่องเกิดเรื่องดับอะไรนี้ด้วยอ่าก็หมายความว่าการรู้ปฏิจจาระลงเนี่ยมันคือข้อขอดของนามรูปเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยมันนามรูปมันไม่ใช่มีแค่สองอย่าง ได้รูปและนามเนี่ยมันจะมีปมมีขอดของมันเวลาเรารู้รูปรู้นามมันจะมีปมมีขอดแม้แต่เดินก้าวหนึ่งก็เป็นปมเป็นขอดพิธยาบทสี่นะฮะหรือว่าตาเห็นรูปครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นปมขอดของนามรูปเวลาเรากําหนดไปที่อายตนะขณะเห็นเนี่ยมันเป็นปมขอดและมีกระบวนการของเหตุของปัจจัยแต่กระบวนการเหตุของปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในในแบบของอริยศาสตร์สี่เหมือนกันใครเห็นปมขอดไหนมากน้อ ย, อยอย่างไรเนี่ย ก็จะลงลอยของความเป็นอริยสัจสีเหมือนกันทีนี้ปฏิจจาระองค์นี่มันเป็นปมขอดปมขอดปมขอดที่อยู่ในกรอบของอริยสัจสี่ 4. เหมือนกันทั้งนั้นคนเมื่อปฏิบัติโดยนิยามของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกําหนดรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละปมแต่ละขอดแต่ละปมแต่ละขอดเนี่ยก็จะรู้โดยอาการเดียวกัน เืองอาการของอาเรียตัสสีเหมือนกันและผมก็ย้ำว่าการรู้เนี่ยมันมีรู้หลายชั้นแต่พระสูตรที่ท่านแสดงนี้ท่านแสดงรู้ขั้นอรหันต์ครับเขารรเรียกว่ากล่าวถึงยอดเลยกล่าวถึงยอดคือถึงความเป็นอรหันต์ขั้นโสดาขั้นวิปัสนาญาณแต่ละขั้นแม้กระทั่งขั้นทำวิปัสนาแบบมือใหม่ๆ ก, ก็มีความรู้ โดยนัยยะอย่างนี้แต่ความเข้มความแตกต่างในส่วนที่แตกต่างเนี่ยก็จะแตกต่างลดหลั่นกันไปในสูตรนี้ท่านกล่าวขั้นอรหันต์ท่านจึงได้กล่าวว่าผู้ที่ไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่นับว่าเป็นฉันใช้คำสมมติเนี่ยนะะแปลว่ายอมรับใครยอมรับก็ตอบว่ า, อวายอมรับจากพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการยอมรับว่าเป็นอย่างไรเนี่ย ค่าของการยอมรับอยู่ที่ผู้ยอมรับคือผู้รับรองนะวิธีอยู่ที่คนรับรองถ้าคนรับรองเป็นคนสูงการยอมรับนั้นก็เป็นของสูงถ้าผู้รับรองเป็นคนต่ำการยอมรับนั้นก็เป็นของต่ำเพราะบางทียอมรับกันเองแต่ว่าคนสูงก็ไม่ยอมรับเนี่ยนะกระจยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวลบล้างว่าคนที่เขาเรียกว่าสมณะเนี่ยก็เรียกกันไปอย่างนั้นถ้า ไอ้ข้ออ้างเรียกก็อาจจะอ้างโน่นอ้างนี่มาเป็นเครื่องเรียกแต่ถ้าเป็นพระองค์แล้วความเป็นธรรมนั้นต้องรู้อย่างนี้คือต้องเป็นอรหันต์อาหารหันต์รู้อย่างนี้นี่ท่านกล่าวถึงกานสมบูรณ์นะครับและพราหมณ์ก็เหมือนกันท่านก็หมายถึงพระอรหันต์ต้องรู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นสมณะไม่ได้เป็นพราหมณ์ดังนั้นท่านจึงตรัสว่าคนที่รู้อย่างนี้ได้ประโยชน์ จากความเป็นธรรมะเพราะว่าการที่บุคคลเป็นพระอรหันเนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์แต่ว่าเป็นแต่การเป็นอะไรในพระพุทธศาสนานั้นผู้นั้นนั่นเองจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากความเป็นคนอื่นถือเป็นผลปรอโยได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากความเป็นพระอรหันของใครเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ย ท่านเองท่านได้ประโยชน์จากความเป็นพุทิเจ้าของสองท่านเองแต่ว่าคนอื่นเนี่ยบางคนก็ได้ประโยชน์บางคนก็ไม่ได้ประโยชน์บางคนก็ได้โทษบางคนก็ได้ประโยชน์น้อยบางคนก็ได้ประโยชน์มากไอ้ตรง น, นี้แหละถึงย้ําว่าถ้าเราเองเนี่ยไม่สร้างคุณสมบัติไวนะ้น่ะถึงได้เจอพระพุทธเจ้าเชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยไม่มีคุณสมบัติจะหลดซักประโยชน์เหมือ น, นเราเจอนักปราดเนี่ยนักปราดทางบาลีนักปราดทางอะไรที่เรารู้สูงๆเก่งมากๆเนี่ย ไอจะถามอะไรเขไม่รู้จะถามว่างไงคนอื่นถามเราก็ฟังไม่ออกเลยและอาจารย์หรือผู้รู้คนนั้นจะมาพยายามยัดเยียดให้เราด้วยประการใดๆเนี่ยมันก็ยัดไม่ได้ครับยัดเยียดไม่ได้เราต้องสร้างคุณสมบัติเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่จะรองรอรับอะไรบางอย่างเนี่ยรับได้เนี่ยอย่างอุปนิสัยเราบางคนมีอุปนิสัยรองรับแต่ว่าอุปนิสัยไม่ต้องลดสนิยม แต่ไม่มีสมรรถนะที่จะรองรองรับก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกรรมฐานก็เข้าอยู่นั่นแหละเข้าแล้วก็มึนตลอดทุกหลักสูตรนี้ตลอดทุกครั้งไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าซาบซึ้งแต่ว่าศรัทธาอยู่อย่างเงี้ยเอออย่างนี้เราก็ต้องชมเออเขาเขามีอุปนิสัยแต่ว่ายังไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเท่าที่ควรคือยังไม่ได้ไม่ได้ก้าวแรกเลยอย่างงี้ยนะได้แค่เอเลื่อมใสก็ยังนับว่าเป็นสิ่งดีต้องรักษาไว้ ไอ่าเราคุยกับบางคนเมื่อไรเรนี้ว่าอ่าเวลาที่เราจะเจอาศาสนาก็ไม่เจอาศาสนาในเวลาเจอาศาสนาน้อยไม่เจอาศาสนามากในช่วงนี้เราเราสั่งสมสะเสบียงไว้แล้วเพื่อที่จะเดินทางธุระกันดารไอตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าต้องเอาออกมาใช้อนะบางคนก็หมดเนื้อหมดตัว กว่จะเจอพระพุทธเจ้าครับอุปนิสัยบารมีรสนิยมหายไปหมดเลยครับไม่มีเหลือก็คือกลายเป็นคนชั่วกลายเป็นคนไม่เอาทางนี้หันกลับไปทางอื่นถือเสบียงหมดสเสบียงคือบารมีเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยเมื่อไม่เจอบัณฑิตไม่เจอศาสนาเนี่ยเราจะต้องสิ้นเปลืองอย่างเดียวนะแต่ถ้าคนสเสบียงมากเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนมันก็ก็ไม่ไม่ไม่เสียไนงะไม่เสียผู้เสียคนไม่เสีย ความตั้งใจอันนี้เป็นเป็นสูตรที่หนึ่งผมอธิบายแต่นี้คราวนี้มาถึงสูตรที่เหลือสูตรที่เหลือตรัสโดยในยะเดียวกันคือเมื่อรู้ชาติก็จะต้องรู้โดยอาการสีและผู้ไม่รู้อย่างเราเนี่ยเป็นผู้ผู้ไม่รู้นะคนทั่วไปเป็นผู้ไม่รู้ หรือว่าอย่างเราก็อย่างดีก็อาจจะเป็นผู้รู้ในเบื้องต้นในขั้นแรกๆในชั้นแรกๆแต่ยังไม่รู้ถึงขั้นอรหันต์ก็ยังนับว่าผู้ที่กระตือรือร้นจะทำเพื่อความรู้เมื่อไม่รู้จะบวชหรือไม่บวชก็ไม่ใช่ธรมมาณะพรามแต่เมื่อรู้เนี่ยจะบวชหรือไม่บวชก็เป็นธรรมาณะพรามตามกติพระกุติจาเป็นหรือไม่เป็นในอยู่ที่รู้เพราะว่าการบวชนี่ไม่ใช่บวชเพื่ออะไรบวชเพื่อรู้ใช่ไหมการบวชเนี่ยบวชเพื่อเป็นประโยชน์แก่ความรู้ ไม่ใช่อื่นเลยาความมุ่งหมายหรือการบัญญัติวินัยการบัญญัติการ บ, ราารบวชของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อประโยชน์อันนี้อาล่ะเป็นั้นว่าวักแปดจบแค่นี้สิบเอดูนย์เร็วมากทีนี้สูตรที่จะช้าหน่อยก็คือสูตรถัดไปเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องแปลกหูแปลกตาหน่อยคือวักถัดไปวักนี้ เป็นวักที่กล่าวแบบย่อกว่ามีทั้งหมด12สูตรเป็นวัคที่เก้าครับสูตรที่หนึ่งของวัคที่เก้าชื่อว่าสัตถูกสูตรสัตตุหรือสัตถาเนี่ยแปลว่าครูสัตถาเทวมนุษย์สานังโลพุตติจ้าเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหรือนวังคสัตตุศาสตร์คาสอนของพระศาสดาประกอบด้วยองค์เก้าสัตตุหรือสัตถาแปลว่าครูเอ่อ เนื้อความในสูตรนี้ท่านตรัสว่าตัดถึงคนที่ไม่รู้ไม่รู้ปฏิจจ์โดยนัยยะของอริยสัตตีควรทอยังไงบอกควรสแสวงหาครูควรสแสวงหาครูดังนั้นได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อ บุคคลไม่รู้ไม่เห็นชะลาเมรณะตามเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในชรลามรณะตามเป็นจริงเมื่อบุคคลไม่รู้ไม่เห็นความเกิดเหตุเกิดแห่งชะลาเมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในเหตุเกิดแห่งชะลาเมรณะตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลไม่รู้ไม่เห็นความดับแห่งชะลาเมรณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในความดับแห่งชะลาเมรณะตามความเป็นจริง บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแผงชลาโมณะตามความเป็นจริงพึงแสวงหาครูเพื่อความรู้ในปฏิปทาอันให้ถึงความดับแ่งชลาโมนะตามเป็นจริงนี่เป็นการตรัสเอาควา ม, มง่ายๆว่าสำหรับผู้ที่กําหนดชลาโมนะเนี่ยต้องรู้ชลาโมนะอย่างครบในถ้าไม่รู้จะต้องหาครู ทีนี้คําว่าหาครูเนี่ยครูตรงนี้หมายถึงครูอะไรครูอะไรท่าน ก, ก็บอกแล้วว่าครูที่ทําให้เรารู้ครูที่ทําให้เรารู้ทีนี้ก็มีปัญหาว่าไอ้ที่เรารู้หรือไม่รู้เนี่ยเป็นเพราะครูรู่ให้เราหรือเรารู้เรารู้ของเราเองก็ไหนบอกว่าอ่ปัจจจตังเวทีตับโพง่แล้ะจะต้องไปหาครูทําไม แล้วก็ครูก็นั่งพูดอยู่นะคือนั่งสอนเนี่ยไม่ไม่นี่ผมโทษอ่ะนี่ผมพูดถึงพระสูตรนะว่าครูกําลังนั่งเทศเดี๋ยวนี้แล้วจะไปให้จะต้องจะไปบอกว่าหาครูแล้วก็ครูนั่งเทศอยู่เทศหมายถึงเทศสูตรนี้พุธเจ้านะแล้วจะจ ะ, จะต้องไปลองชวนหาครูที่ไหนอีกละก็จะบอกมาซะเลยว่าครูนั่งอยู่นี่แหละกาลังเทศเรืเ่องสูตรนี้อยู่นี่นี่ผมพูดถึงพระพุทธเจ้านะอย่ามาเนื้อกัผมพูดถึงตัวอเอง พ, งพูดถึงว่าพระพุทธเจา inet, ้าท่านเทศอยี๋ยนี้เราเราคิดแบบอ่านพระสูตรอ่ะเออ ทำไมจะต้องไปร้องเรียกกันแนะนํำว่านี่เป็นครูนี่หาเราเนี่ยก็ที่จริงก็แนะนําว่าหาท่านนั่นแหละแต่เป็นการพูดอย่างเป็นกลาง่ครูนั่งอยู่นี่แหละที่นี่ตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณาว่าที่ท่านร้องเรียกให้หาครูใครเป็นครูเราไม่ต้องดูตระถาเราก็พอเดาได้เดาแล้วไปดูตระถากรงกว่าที่เราเดาท่านหมายถึงพระพุทธเจา้าและสาวกของพระพุทธเจา้าชื่อว่าเป็นครู ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พระไตรัยปิฎกคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเราจะไปอ่านเองหรือใครมาอ่านให้ฟังเทศให้ฟังก็เป็นครูเพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะว่าผู้ที่เป็นครูเนี่ยเป็นที่พึ่งของมัรคยานในผู้นั้นอันนี้ก็วิเคราะห์ว่าครูเนี่ยทําให้ให้ได้มัรคยานด้วยประการใดตอบว่า ครูนั้นเป็นผู้ที่ให้วิปัสนาภูมิเป็นเพียงผู้ให้ปริยัติเท่านั้นและข้อนี้ว่าถ้าไม่ได้ปริยัติจากครูตรงนี้แล้วบอกไปคิดเองได้ไหมทําเองได้ไหมไม่ได้ตรงนี้เราพูดเลยนะครับถ้ามีใครถามว่าธรรมะเนี่ยปฏิบัติเองได้ไหมถามว่าเองยังไงถามว่าเองยังไงเองแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไปทำเองก็เก่งแล้วคนที่ทําเองได้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้น คิดเองได้สำหรับเรื่องวิปัสนาเนี่ยนะเพราะนั้นครูก็เป็นผู้ที่ให้ปริยัติซึ่งเป็นที่มาของการปฏิบัติที่ผู้นั้นจะพึงปฏิบัติเองท่านเรียกรองหมายถึงตรงนี้กัลยาณมิตรเป็นที่มาของปรโตโขสสะของเนื้อหาของปริยัตและผู้นั้นก็เอาปริยัติไปปฏิบัติท น, นคนที่ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ในภาคปฏิบัติ และอยากจะรู้ก็ดีต้องเรียนปริยัติและถ้าไม่รู้ปริยัติก็ต้องเรียนปริยัติเพื่อรู้ปริยัติแล้วได้ไปปฏิบัติบ้างได้ความรู้เหล่านี้จึงมาจากครูคือมาจากสัทธาเดวะมนุษย์สานังนี่แหละทีนี้ก็มีปัญหาว่าครูเนี่ยเป็นผู้สอนทั้งหมด ทั้งหมดหมายถึงทุกอง์ปฏิจจาทุกองหรือสอนบางองก็บรรลุได้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่ว่าครูเวลาเทศเรื่องปฏิจจารเนี่ยเทศทุกองค์หรือเทศบางองค์ก็ได้ก็ต้องตอบตามนัยยะประสูตรว่าบางองค์ก็ได้ทุกองค์ก็ดีเพราะว่าปฏิจจาบางทีท่านก็ไม่ได้แสดงทุกองบางสูตรที่เราผ่ามมาแล้วก็มีนะไม่ได้มีทุกองค์ไม่ได้สอนตั้งแต่อภิชา นถึงจะลาแม่น้มดีนั้นก็กำมวดข้ามแต่เวลาคนรู้รู้ทุกองค์รู้ได้ทุกองค์เพียงแต่ว่าบางองค์เนี่ยอาจจะรู้แบบแบบโดยในผมผมเคยพูดคำว่าโดยในมาแล้วนะโดยในหมายความว่าไม่ได้มาไล่เลียงแต่เวลามีการเอ่ยถึงหรือตั้งมนติการเพื่อรู้ก็จะรู้ รู้ได้โดยอารมณ์แต่จับในได้แล้วรู้ได้หมดเออผมผมขอเรียนเรื่องเอกสารนิดนึง อ, งอยากว่าเอกสารนี่เขาเรียงหน้าเคลื่อนไปนะครับใช่ไหมอาจจะสับสนขอให้เอาหน้าที่หน้าที่สี่เนี่ยมาเป็นหน้าที่สองเอาหน้าสี่มาเป็นหน้าสองแล้วก็เอาหน้าสองมาเป็นหน้าสี่ ผมยังงงเองเลยนึกว่าทำเนื้อหาตกหน้าสองเป็นหน้าสี่หน้าสี่เป็นหน้าสองมีทั้งหมดสี่หน้านะฮะอ่ะทีนี้มีประเด็นอีกว่าเาโดยธรรมดาเนี่ยเห็นอันนี้เราอ่านแล้วก็นึกถึงคำของคงจือ๊อเขาบอกว่า สิทธิ์มีหน้าที่กระหายครูครูไม่มีหน้าที่กระหายสิทธิ์นะก็ไม่ผิดอ่ะเพราะกระหายหมายถึงความโลภความอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าทางไอ้กระหายก็หมาเขาว่าด้วยกิเลสไงแสวงหาสิทธิ์ด้วยกิเลสหาส ก, กุลหาอันเทวาสิทธิ์ด้วยกิเลสแต่ถ้าในทางศาสนาแล้วเนี่ยถ้าเท่าคําถามนี้มาถามว่าสิทธิ์เป็นผู้ควรแสวงหาครูหรือครูเป็นผู้ควรแสวงหาสิทธิ์ฮะ สแสวงหาครูใช่ไหมและที่ท่านสอนเน่ยท่านสอนเพื่อให้จิตแสวงหาครูใช่ไหมถูกแล้วสูตรนี้นะ่ะกล่าวเตือนให้สแสวงหาครูครูกล่าวกระสิทธ์ให้สแสวงหาครูหาครูแต่โดยพุตธินของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของพระชันดีเนี่ยมีทุกกรณีบางรายเนี่ยพระพุทธเจ้าสแสวงหาสแสวงหาสิทธิ์พระ ทารักเก่งๆสมัยก่อนแสวงหาสิทธิ์บางรายเนี่ยสิทธิ์แสวงหาบางทีก็สแสวงหาทั้งคู่มาเจอเจ้า เ, เอกันเจอกันเช่นใครที่สแสวงหาสิทธิ์ที่เห็ น, หนสแสวงหาสิทธิ์พระพุทธเจ้าไปโปรดเช่นอาระวะกากยักษ์ใช่มะปากาพลมอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สแสวงหาคือพยายามจะไปงอนง้อขอให้เขาฟังธรรมะเบญจวักขีเขาบอกเลิกสาราแล้ว พะุทธเจายัง ไ, ไ, ปไปงอนง้อขอให้มาเป็นลูกศิษย์นะบางรายเนี่ยเขาก็มาขอเป็นลูกศิษย์อย่างเช่นพระพายย ะ, ะประปกุฎสาติกอย่างนี้นะฮะอย่างนี้มีแล้วก็บางทีท่านก็ทําท่าเหมือนไม่รับบาดีก็รับโดยง่ายปาโนกันไปก็รอดแล้วแต่มีเหตุมีผลทั้งนั้นคือไม่ได้ทําด้วยกิเลสครับเลยมีหลายอย่างต่างๆกัน อ่านี่เป็นเรื่องบรรยากาศอย่างสมัยพุทธกาลแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยจะถามว่าแล้วอ่าในอดีตก็มาหาพระพุทธเจ้าหาสาวกของพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ก็ต้องหาเตามมีตามได้เท่าที่เราเข้าใจได้ที่เราพิจารณาตรองตามได้ก็สแสวงหาบางทีหาคนหนึ่งแล้วยังไม่ไม่ชัดเใจก็หาต่ อ, ตอไปจนกว่าจะเจอดี เจอดีนี่ดีจริงๆนะไม่ใช่ภาษานักเลงเพราะฉะนั้นครูหรือกัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะถถากล่าวแบบเป็นทฤษฎีก็วิปัฒนาภูมิอย่างนี้นะฮะปริยัติสุตตะคือการตรับตรับฝังทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญ บางทีก็เตา่าเป็นทั้งเป็นทั้งหมดของพรอาจารย์ที่ว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยท่านหมายก็ว่าเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีครูอย่างเดียวแล้วครูเหมาหมดเราไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่เั้นแต่ว่าเราต้องพึ่งกัญญาณมิตรเนี่ยตลอดพึ่งทฤษฎีเนี่ยตลอ ด, รลอดปรโตโขศะเราจะบอกว่าเออทําไปสักแค่นี้แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาใครแล้วไม่ได้เราก็อยู่แค่นั้นเพราะอะไรอเพราะว่า เหนือฟ้ามันก็มีฟ้านะเหนือขึ้นไปก็ต้องมีครูมือดีๆที่มารับช่วงมีที่สตีดีๆที่มารับช่วงสืบต่อต่ อ, ตอไปเพราะว่าภูมิปัญญาในทางปริยัตทางปฏิบัติคนนมีที่ที่สุดมีที่จํากัดทั้งนั้นถึงจุดหนึ่งก็ตันอันแล้วก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราเก่งกว่าครูเราก็ต้องหาครูคนใหม่ต่อไปหาที่สตีใหม่ต่อไปเนี่ยแม่เรื่องของปฏิจจโองค์ อ, อื่นๆ เป็นการกล่าวย้ำเพื่อจะให้เห็นว่าการรู้นามรูปทุกกระบวนท่าทุกขั้นถึงตอนนนะั้ครูมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในพระสูตรสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มสิบเก้าที่พระนอานนท์กล่าวกล่าบทูลแก่พระพุทธมีพระภาคว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของพระมรรจันทร์และพระผู้ทธมีพระภาคตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นแท้ที่จรงิงกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพระมรรจันทร์หมายพระมรมจันทร์หมายถึงการปฏิบัติ ในประสัสนานี่เราก็มาดูอีกสูตรหนึ่งคราวนี้นะ่ะทำไว้ในที่เดียวกันย่อความไว้ในที่เดียวกันแต่ในทางอธิบายเนี่ยอธิบายได้เยอะคือสูตรที่สองของวรรคที่เก้าจนถึงสูตรที่สิบสองของวรรคที่เก้าที่ตรัสว่าดูก่อนที่สูตรเอเดี๋ยวอ่านชื่อสูตรสักหน่อย สูตร 9.2 เนี่ยครับอ้นักขานั้นเกินมาค่านัขาจริงนัขาสิกานักขาสิกะนักขาที่แปลแปลว่าเล็บอะไม่ไม่เกี่ยวกับสูตรนี้จะปรากฏในในวักถัดไปที่จะเรียนข่าหน้านัขาสิกสูตรก็ให้ตัดนัขาจริงเป็นสิกะแปลว่าศึกษาจนถึงอัปปามาทัสสูตรนะครับถูกแล้ว สุดแรกของตรงนี้ก็คือตรัสว่าบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชรามรณะตามเป็นจริงพึงกระทำความศึกษาอิบาลีใช้คาว่าสิกขาหรือศิกษาเนี่แหละครับ mm. เพื่อความรู้ในชรามรณะตามความเป็นจริงแม่รู้ในองค์อื่นๆที่เหลือก็เช่นเดียวกัน mm. ตรงนี้ผมสลุบให้เห็นเป็นภาพกว้างๆว่า สูตรแรกเนี่ยกล่าวถึงเหตุปัจจัยภายนอกสูตรแรกสูตรแรกไหมแรกที่เราพูดแล้วนะสูตรที่ชื่อว่าเมื่อกี้อ่ะที่ชื่อว่าสัตตูสูตรกล่าวถึงปัจจัยภายนอกเพราะคนจะบรรลุธรรมเนี่ยมีจปัจจัยหลักอยู่สองสองสายปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือกัลายามิตรในสัตตูสูตรนะอ๋อเกิ หมายถึงรู้ในขั้นอ拉หันสาหรับตรงนี้อนะแต่อายุยังไงเนี่ยเราเราคงต้องพูดกันอีกทีก็เคยพูดปลายปลายมาแล้วแล้วนะฮะแต่ตรงนี้เอาไว้ว่าอีกทีตอนนี้เราว่าถึงไอ้องค์ให้น้ําลูกนี่เป็นอารมณ์แต่ว่าสูตรเนี่ยอธิบายถึง <c oughs> องค์คุณแห่งความรู้แหงองคุณที่จะรู้อผมย้อนอีกทีนะฮะว่าสัตวทูตสูตรจัสูตรที่หนึ่งพูดถึงเหตุปัจจัยสําคัญอันเป็นภายนอก ครูเนี่ยเป็นภายนอกใช่ไหมฮะเนื้อหาจากครูเป็นภายนอกพระไตรปิฎกก็เป็นเนื้อหาเป็นครูเป็นภายนอกพระไตรปิฎกเ น, เนื้อหาออกหน้าและอ่านแล้วก็ทําให้นึกไปถึงครูซึ่งไม่อยู่แล้วนะถ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าก็ออกหน้าทันเทศก็ให้เนื้อหาตามหลังผูกพันกันครูกับเนื้อหาของครูนั้นเกี่ยวพันกันก็ส่งคลอดเป็นอันเดียวกัน แม้จะตลาดว่าครูสำหรับสูตรที่สองถึงสูตรที่สิบสองเป็นเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายในนั้นเป็นของเราเอง <c oughs> นามรูปเป็นก็เป็นของเราเองใช่ไหมฮะจะลา ม, มานาเป็นของเราแต่ของคนอื่นก็พอได้แต่สิกขาเป็นต้นเนี่ยเป็นของเราเอง <c oughs> จะได้ไม่มีไม่มีแผนใย เชิงใช้ให้ดูนะฮะเพราะาชล า, มาหมอน้าเนี่ยรูกข้างในรู้ข้างนอกได้แต่ข้างในเนี่ยเป็นหลักข้างนอกก็ผัวพันตามมาครูก็ข้อมูลถือเป็นข้างนอกแล้วก็อองค์คุณทั้งหลายในสูตรตั้งแต่สองถึงสิบสองเนี่ยเป็นของของเราจะเอาคนอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นของของเราล้วนๆที่เราจะต้องใช้ของเราเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง ที่ว่าสิกขาคืออะไรท่านหมายถึงการสมาทานสิกขาบททั้งสามอย่างศีลสิกขาสมาธิสิกขา อ, อแล้วก็ปัญญาติสิกขาเราต้องสมาทานใช้อันนี้ศีลแน่นอนและข้อศีลอยู่ในตำราดังนั้นไม่ใช่เป็นเนื้อหาของศีลที่แท้จริงเนื้อหาของศีลที่แท้จริงคือเจตนาที่เกิดขึ้น กับศีลแต่ละข้อแต่ละข้อที่มันเป็นวัตถุไอ้ความเว้นเป็นของเราไอ้เครื่องเว้นอาจจะเป็นข้างนอกใช่ไหมฮะเว้นการฆ่าสัตว์ก็คือชีวิตคนอื่นแต่มาเว้นชีวิตเรามไม่ต้องเว้นเพราะไม่ฆ่าอยู่แล้วโดยธรรมดาถึงฆ่าตัวเองก็ไม่เป็นผิดศีลดีขโมยทรัพย์ตัวเองก็ไม่ผิดศีนทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์คนอื่นเพราะันเครื่องเว้นเป็นของเราวัตถุ ที่เราอาศัยเว้นเป็นข้างนอกเครื่องเว้นบางอย่างอาจจะอยู่ในตัวเราก็ได้อย่างเช่นปลงผมก็เป็นศีลของพระผมเป็นผมตัวเองไปปลงผมคนอื่นก็ไม่เป็นสีนของตัวเองอีกใช่ไหมฮอย่างเช่นพ่อแม่ไปปลงผมบนศีรษะของนากลูกชายศีลเป็นของลูกคนปลงไม่ได้ศีลขอนัน อันนี้ก็คือสมาทานรับเอานี่ก็คือเจตนางดเว้นสมาธิจิตแล้วก็ปัญญาเป็นคุณภายในของผู้นั้นเองสำหรับสูตรที่สามพึงกระทำความเพียรอิบม า, บาลีที่คำประโยคค่ะเพื่อความรู้ในจรามรณะตามความเป็นจริงเป็นต้น ประสูนนี้จึงชื่อว่าโยคะศูตย์โยคะเนี่ยแปลว่าการประกอบเป็นชื่อของการกระทาการลงมือทาสมาทานแล้วก็ลงมือทาทำด้วยองคุณของสมาทานสามอย่างคือทำด้วยศิกขาสามนั่นเองนี่ก็เป็นของเราเองจะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้ สูตรที่สี่พึงกระทําความพอใจวลีใช้คำว่าฉันทะเพื่อความรู้ในจรรามรรตามความเป็นจริงเป็นต้นเรียกว่ฉันทะสูตรฉันทะตัวนี้หมายถึงกระตุกกรรมยตาฉันทะคือความพอใจที่จะกระทําหรือพอใจในการกระทํากระทามือในโยคะนั่น่พอใจในการกระทําด้วยโยคะนั้นด้วยไตสิกขานั้นตัวนี้ เป็นเส้นทางของศรัทธาของฉันท่าพูดเจือกันได้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือจะทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีความพอใจที่จะทำแต่แล้วเนี่ยมันหมดสนุกมันเป็นข้อขัดขวางอย่างสําคัญที่สุดเลยจริงไหมจริงไม่ว่าจะทํางานหรือทาอะไรก็ตามเดี๋นี่ไอสิ่งที่คนเราทําแล้วไม่สะดวกทําโดยไม่ต้องไ ป, ไปควบคุมตัวเองก็คือทาําแบบ ทำชั่วใช่ไหมทาไม่ดีเรลก็ลไม่ต้องควบคุมแต่ถ้าทำดียิ่งดีชั้นสูงยิ่งต้องสร้างความพอใจอย่างเป็นพิเศษถ้าไม่พอใจคือตัวเองก็ไม่พอใจจะทำอย่าพูดถึงว่าตัวเองจะต้องไปทำแม่ลูกหลานว่านเกลือจะไปทำก็ไม่ชอบใจแล้วเหมือนอย่างพ่อแม่พี่น้องบางคนไม่ชอบใจที่ลูกหลานว่านเกลือตัวเองไปไปปฏิบัติตาม่านั้นไม่ชอบใจเลยเพอไม่เห็นอานสง แต่นั่นแหะคนอื่นไม่สาคัญอยู่ที่เราและถ้าทําเดี๋ยวเดียวก็อย่างหนึ่งถ้าทํานานๆเนี้ยอย่างสมมติไปบวชเป็นพระพรรษาหนึ่งเนี้ยอย่าเมื่อคืนมีคนโทรมาเนี่ยจะไปบวชวัดไหนดีบวชปฏิบัติเนี้ยแค่เมื่อแค่บวชเดือนเนี้ยบวชปฏิบัติเนี่ยหยิ่งพอใจยากหนักนีอีกถ้าบวชส ว, วดบวชอย่างธรรมดาๆเนี้ยมันก็พอมันก็อ่ดอัดใจาพอสมควรแล้ว แต่บทปฏิบัติเนี่ยยากมากต้องประคับประคองอย่างยิ่งตรงนี้ต้องควบคุมศรัทธาอย่างยิ่งคนไปอยู่ปฏิบัตินานเหมือนกันมันมันอึดอัดมันไม่ใช่ของ ก, อกล้วยๆหรอกพวกอาจารย์ก็ถึงรู้อพวกอาจารย์ที่เขาเนี่ยที่เธอก็ทจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ไปทำแบบหลับๆเตือนๆนเอาถึงรู้อะเนี่ยทําแล้วให้หยุดให้หยุดสักช่วงแล้วไปทําต่อพ่อนหนักผ่อนเบานี่ถ้าถ้าเราไปอยู่เราต้องผอนหนักผ่อนเบาเอง ถ, ถึงบอกคนที่จะไปบวชนานๆบวชแบบเอาเก่งเนี่ยนะต้องรู้จักผอนหนักผอนเบาแล้วก็ไอ้วิธีพอนหนักผอนเบาเนี่ยอย่าผ่อนเดียวทั้งมันผ่อนแ ล, ล้วหลุดไปเลยนะบางทีต้องอาจจะเอาเทพธรรมะไปฟังหรือเอาเอาประวัติพระดีๆไปอ่านเวลาอะตามตกอันนาตกเอาพระสูตรไปอ่านเนีย่ยนะจะช่วยทําให้เราก็จลายไปเจ๋งได้เป็นระย ะ, ะยะหรือบางครั้งเนี่ก็ต้องพักผอนพักหยุดหยุดแบบรักษาสติเบาๆไว้ ก็ได้กำลังก็ไปทำต่อไม่อย่างนั้นแล้วก็มันระเบิดขึ้นมาก็ลำบากไอ้ตัวนี้ถ้าเราไปฝืนมากในลักษณะที่กิเลสเราสลายก็ไม่ได้เท่าที่ควรใครที่เกิดมาแล้วพอใจธรรมะได้อย่างเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะยังไม่ได้รับผลก็เป็นสิ่งที่ถือว่าโชคดีมากแล้วนะ อย่างพวกเราบางคนเนี่ยบอกเขาทำเขาทำไปงั้นนะไม่ได้อะไรสักทีแต่ว่าไม่เคยหนีการปฏิบัติเลยชอบมากชอบปฏิบัติมากแต่ชอบแล้วปฏิบัติแต่ว่าไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนี่เจ้าตัวเขาว่าเองผมไม่ได้ไปปักกลํามกันเดี๋ยวก็ได้ยินเขาจะมาโกรธ น, นะแต่นี่เราก็ชื่นชมนะครับชื่นชมว่าคนชอบปฏิบัติได้นี่ช่างประเสริฐ จ, จริงๆหรือคนชอบการบวชอย่างแท้จริงเนี่ยนกะ็ช่างยิ่งประเสริฐหนักขึ้นไป นี่คือฉันทะเราต้องสร้างความชอบให้ให้ให้ดีะ่ะไอ้ดีนี่มีคุณบัติหลายอย่างแม้ในสูตรแต่ต่ไปก็ได้ได้แสดงความดีบางอย่างให้ปรากฏไปด้วยก็าจะชอบอย่างไรเช่นยังชอบอย่างต่อเนื่องเนี่ย <c oughs> ชอบน้อยแต่ชอบต่อเนื่องก็จะกลายเป็นความชอบมากฝังจิตฝังใจไปได้เองต่อไปอีกสูตรหนึ่งตรัสว่าพึงกระทำความอุตสาหะ <c oughs> เพื่อความรู้ในจารามรรตามเป็นจริง ที่บาลีใช่ไหมครับอุศละหะอุศละหนก็คืออุตสาหะที่เราเรียกอุตสาหะแปลว่าท่านบอกว่าเป็นความเพียรที่มีประมาณยิ่งที่ทนต่อสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นภาษาอธิบายในตระกตาอุตสาหะเนี่ยเป็นความเพียรที่มีประมาณยิ่งที่ทนต่อสิ่งทั้งปวงคือถ้าตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของวิทยะ อย่างหนึ่งที่เป็นความเพียรที่มีกำลังมากเร็วสาะผลต่อสิ่งส ก, กัดได้ห ล, หลายอย่างคือเพียรอย่างอดทนเพียรอย่างมีน้ำหมดน้าทนสูงตรงนี้ก็อธิบายว่าถ้าบรรดา <c oughs> ความขยันบรรดามีในโลกเนี่ยความเพียรอะไรที่ต้องพุ่มเทยอย่างยิ่ง ความเพียรทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเกินไปกว่าความเพียรกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอต้องทุ่มเทอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่มีสิ่งจูงใจที่เป็นกิเลสเลยนะแล้วก็ไม่มีใครมาขูเ่เราจะไม่ทำํำก็ไม่มีใครฆ่าเราใช่ไหมไม่มีเลยเราเองต้องต้องทํำด้วยตัวเองต้องพยายามด้วยตัวเองมันมีแต่ว่าเพียรแล้วก็ อิเล จ, จะหมดเพียรต้องเสียเวลาเพียรต้องอดนั่นอดนี่ดูโดยธรรมดาแล้วไม่มีอะไรได้ดีสักอย่างต่อไปครับสูตรที่หกพึงกระทำความไม่หยอท้ออัปปติวานิยะเดเร ส, สันๆเรียกว่าอัปปติวานีมันอันเดียวกับอัปอ ป, อ ป, อปติวัวตนั่นแหละปฏิวัดแปล ว, ว่าหมุนกลับ อภิวัรมแล้วว่าหมุนกลับไม่ได้อย่างในธรรมจักรกัตนะสูตรในบทสวดอภิวัรมอภิวัรมจึงแปลว่าไม่หมุนกลับหมายความว่างไงคือความเพียรที่ไม่ถอยกลับคือเรียกว่าเพียรอย่างบรุษเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เลิกทีนี้อย่างเราเนี่ยเราเองเราวางเป็นช่วง เราจะบอกเลือดจะเหือดแท้งอยังงี้อย่างอย่างอธิษฐานของมหาบุรุษเนี่ยเราคงไม่กล้าถึงขนาดนั้นแม่ตายก็ไม่ยอมลุกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตายจริงๆเราไม่กลา้าเราใช้วิธีการที่ขยับไปแต่ละขั้นไงจะรู้ด้วยเราเมื่อเราไปเข้ากรรมฐ า, านเนีครึ่งเดือนเราจะไม่ยอมออกเด็ดขาดจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่อย่างงี้คือไม่กลับ ในเกมที่เราสามารถทาได้หรือว่าเรานั่งตั้กล่องยองี่โมงเกิดอะไรขึ้นเราไม่ลุกเดกาก็เนี่ยเราทําได้ค่อยๆขยับไปในส่วนหยาบส่วนละเอียดเงี้นะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี้ยที่เราพอทําได้และทําได้กับหลายคนก็คือว่าแม้ว่าจะเจ็บปวดเมื่อยเกิดอะไรขึ้นกระดูกจะแตกเราก็ยอมยอมอย่างว่าจะไม่ลุกเลยตลอดชีวิตนะไม่ใย่เงี้นะคือให้เต็มที่ตามกำหนดเวลา แม้จะเจ็บปวดกระดูกจะแตกแล้วเราก็ทำได้เคยใช่ไหมฮะโอ้หบางทีมันเหงือการแตกทั้งตัวกระดูกกระเดียวโอหวันหนึ่งมันจะแตกทาลายไปคนละชิ้นคนละอนแต่พอเราปักใจว่าเรายอมที่จะให้กระดูกแตกเนี่ยมันก็แทนที่กระดูกแตกไอ้ความปวดแตกอ้อมเบิบ้อยถอยหายไปกลายเป็นดีไปในที่สุดนี่คือไม่ถอยกลับไม่ถอยกลับจึงมีไหลแม่กระทั่งไม่ฝึก ถ้าเป็นพราบดแล้วไม่ฝึกก็มีก็เรียกว่าไม่ถอยกลับทำไปตามเกณฑ์ที่แต่ละคนจะทำได้อ่ทีนี้มาถึงอีกสูตรหนึ่งครับพึงกระทำความเป็นผู้กล้าวิริยะเนี่ยแปลว่าผู้กล้าผู้มีความกล้าวีระวีระเติมียะปัจใจก็เป็นวิริยะ แบบแล้วผู้มีความกล้าเหรอฮะ อ, อผมเลยข้อฮะอาตาปะอ อ, อ่าก็ก็เจ็ดก่อนนะอาตาปะที่แปลว่าความเพียรแผ่เผาเราคุณนะ่ะอาตาปีและอาตาปะผู้มีความเพียรเผากิเลสพื่นเพื่อรู้ตามความเป็นจริงจะลาบนาเป็นต้นอาตาปะที่แปลวความเพียรเผากิเลนให้ร้อน ไอ้ตัวนี้ก็เป็นเป็นตบะของวิทยะของความเพียรของโยคะเนี่ยนะที่มันมีพลังในรูปหนึ่งที่ว่าเราเพียรเนี่ยเพียรเพื่อเผากิเลสไม่ใช่ให้กิเลสมันเผาเราเพราะว่าไอ้ความเพียรในศาสนาที่สอนเนี่ยมีความเพียรเพื่อเพื่อผลต่างๆกันความเพียรเพื่อทรัพย์ผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้แล้วก็ความหมั่นสําหรับผู้ครองเรือนเรียกว่าหมั่นซ่อมแซมของเก่าอะไรอะไรเงี้ยมัน เป็นผลของความเพียรแต่ละอย่างแต่ะอย่่างแตในทางภาวนาเนี่ยความมุ่งหมายของการใช้ความเพียรเพื่อละกิเลสเพียรทำให้ตัวเองดีขึ้นเพียนให้หมดไปความเพียร น, นั้นจึงเป็นนี้จึงเป็นของประหลาดกว่าความเพียรอื่นทั้งหมดเรียกว่าอาตต ป, ปะความเพียรเผากิเลสนี่คือความมุ่งหมายของความเพียร น, นี้โดยตรง ทำลายความชั่วสำหรับวิริยะคือความกล้าคือ ท, ทำอย่างกล้าหาญาจใจก็เป็นชื่อของความเพียรในรสชาตินี้และในที่พทุทธเยาตรัสว่าผู้กล้าผู้กล้าผู้ทำศึกในสงครามก็โดยอำนาจของวิลานี่แหละอย่างที่เราได้เคยเอ่ยถึงในพระสูตรต่างๆที่กล่าวถึงผู้ปฏิบัติทำเหมือน เข้าสมรภูมิลบต้องใช้ความกล้ามากพอกล้าในอย่างนี้อย่างอื่นก็จะกลายเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ไม่หวั่นไหวอะไรเลยต่อไปพึงกระทําความเพียรต่อเนื่องที่บาลีเรียกว่าภาษาตัดจักรความเพียรที่จะรู้ชรามรณะมันต้องทำความเพียรอย่างต่อเนื่องคือ <c oughs> กระทาให้ติดต่อกันไปเรียกว่าสาษาตัดจักร เป็นเรื่องของความถี่ของความเพียรความเพียรขยักขย่อนมีผลน้อยความเพียรต้องทําแบบต่อเนื่องแต่ที่บางครั้งให้เลิกให้หยุดช่วงอะไรแต่ อ, อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ต่อเนื่องนะเรียกว่าทําเพื่อรักษาความต่อเนื่องนี่เรียกว่าถอยเพื่อเพื่อไม่ให้เลิกถ้าคืนทําต่อแบบหลับูลัตาก็เลิกเลยเลิกแล้วเลิกเลยหรือเลิกอย่างชนิดที่ทะลุ ระเบิดกลางปล่องต่อไปทําความระลึกไว้คือสติคือสติสูตรแล้วก็ทําความรู้ทั่วพร้อมคือสัมผััญญะแล้วก็ทําความไม่ประมาทประมาทความไม่ประมาทก็เป็นอาการของสติอย่างหนึ่งเตรงนี้เนี่ยในส่วนที่จะสรุปให้ดูเนี่ยครับปรากฏว่าทั้งสิบเอ็ดสูตร คือสูตรสองจงสูตรที่สิบเนี่ยก็มีสิบอดสูตรจะมีองคุณออกมาอย่างนี้ครับผมไม่สามารถจะเขียนภาพบนกระดานได้แต่จะสรุปด้วยปากให้ฟังนะฮะแล้วก็ลำดับเอาว่าข้อหนึ่งคือสิกขาไตรสิกขาสมาทานไตรสิกขาเป็นฐานรับที่สาคัญแล้วก็ทั้งก่อนกระทาขณะกระทำและต้องใช้ไปตลอดนะตัวสิกขา ต่อไปก็ฉันทะในเป็นข้อสองข้อสามคือวิิยะที่แตกแขนงออกมาเป็นหกความเพียรตามนิยะตามในสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างจริงๆข้อสี่สติสติท่านแสดงไว้เป็นสองคือสติอันหนึ่งกับอั ป, ปมาธะอันหนึ่งข้อห้าคือปัญญาเนี่ยสรุปแล้วจะมีสั ภาวะทมอยู่ห้าข้อโดยสติแบ่งเป็นสองวิริยะแบ่งเป็นหกหกมีอะไรผมเรียงลำดับใหม่ดังนี้ครับหกที่เป็นวิริยะแยกออกมาจากวิริยะนะครับแบ่งเป็นหกข้อคือหนึ่งโยคะได้แก่ลงมือทำสองอุสาหะได้แก่ความมุ่งมั่น อา้าวเดี๋ยวขอโทษเธอผมผมผม ผ, ผิดไปนิดหนึ่งสองนี่ต้องเป็นสาตัดจักรก่อนแก้ใหม่นะสองเป็นสาตัดจักรซึ่งเป็นความเพียรติดต่อคือทําอย่างติดต่อโยคะอย่างสาตัดจักรทาให้สืบต่อต่อไปก็สามวิทยาอันนี้ก็เป็นความกล้าทําอย่างกล้าหาญ เด็กวิยาสี่ 4. อุตสาหะทำอย่างมุ่งมั่นห้าอัปปติวานีได้แก่ไม่ถอยกลับนี่ก็เป็นเป็นความเข้มคน้นยิ่งขึ้นไปว่าไม่ถอยกลับไม่เลิกลาไม่ทิ้งกลางคัน แล้วก็หกอาตปะคือเผากิเลสอันนี้เป็นความสำเร็จโดยผลเฉพาะหน้าเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยวังผลเฉพาะหน้าคือล้างกิเลสเผากิเลสเป็นความเพียรเผากิเลสอันนี้ก็ว่าเป็นลำดับขั้นของความเพียรที่เป็นองค์ธรรมคือวิริยะเจตสิกเหมือนกันแต่ว่ามีความเข้มข้นแตกต่างกันเป็นอย่างนี้ จะต้องฝากว่าทั้งหมดเหล่านี้เวลาเราไปสู่การปฏิบัติก็เอามาเป็นหลักได้และในขณะที่เราทำความเพียรเนี่ยก็ตอบแล้วก็คอยควบคุมใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นนันว่าวันนี้เราจบกระสูดไปสองวัก รวมทั้งสิ้นยี่สิบสามสูตรรว ด, ดเร็วมากอ๋อฮ ะ, อ ะ, อ ะ, อะคือสติมีสองสติเรียกว่าสติอันหนึ่งก็เรียกว่าอัปปมาทาอันหนึ่งอัปปมาทากว่าไม่ประมาทก็คือสติสรรมจัญญาก็คือปัญญาแต่สูตรคราวหน้าเนี่ยก็จะบรรยายคงอยาครั้งเดียวจบเนี่ยนะฮะ จะเป็นเรื่องของการกล่าวถึงอานิสงค์ของการบรรลุธรรมอย่างเช่นท่านตรัสว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันมีพลังมีอานิสงฆ์มาอาทรงเอาป้าหนาขาเล็บนาขาสิ ก, กาบแล้วใช้ปลายเล็บชอนฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ยกให้พิสูจน์ทั้งหลายดูว่าฝุ่นที่อยู่ในปลายเล็บของเรากับฝุ่นที่อยู่ในแผ่นดินอันไหนจะมากกว่า แล้วก็ตรัสว่าชั้นใดพรชั้นนั้นความทุกข์ของผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้รู้ธรรมหีมากเหมือนกับฝุ่นที่อยู่ในแผ่นดินแต่ตรงกันข้ามความทุกข์ของผู้ที่รู้ธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนกับฝุ่นที่อยู่ที่ปลายเล็บความสุขนั้เหมือนกับฝุ่นที่อยู่ในแผ่นดินกลับตลบปัดกันแล้วก็จะมีพระสูตรติ่ตัดเทียบเทีย บ, บเนี่ยเหมือนกับ น, น้ําน้ําค้างกับน้ําในมาหาสมุทร มีเป็นสิบสูตรเหมือนกันก็ฟังดูได้กำลังใจดีแล้วก็บางแห่งก็ตรัสว่าการได้เป็นพระราชาครองแผ่นดินมีแควน้นสิบหกอยู่ในพระราชาอำนาจก็สู้การบรรุเป็นโสดาบันไม่ได้หรือการขึ้นไปได้เสวยสมบัติบนสวรรค์ด้นสูงเนี่ยก็สู้เป็นโสดาบันไม่ได้ฟังแล้วแมมพระยั่วยวนเรามาก เราพอจะเห็นคุณค่ายนิดๆหน่อยๆอยู่เนี่ยก็พอเล็กยลี้ยวๆนั่นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่พูดสักแต่เป็นจำนวนนะแต่เรามันนึเลือกความส ง, งบเย็นนะความลมเย็นในชีวิตเนี่ยมันเป็นของประเสริฐสูงสุดไม่ต้องไปไปผูกพันไม่ต้องไปพัวพันกับการรับรองของใครไม่ต้องไปผูกพันหรือไม่ต้องไปอาศัยกําลังไฟฟ้าไม่ต้องไปอาศัยรถยนต์ไม่ต้องไปอาศัยห้องแอร์ไม่ต้องไปอาศัยอะแล้วอยู่เย็นเป็นสุข แล้วเวลาคนมีความทุกข์ในะอยู่ในห้องแอร์เงอยังแตกแหละเกิดไมนะ่่ะเวลาหมุนเงินไม่ทันเนี่ยนะโอ้โหอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ครับทุกข์จริงๆมันกรวนกระวายเงือไม่รู้มาจากไหนทำไมเงินช่วยไม่ได้ทำไมกระทิหัดสวยงามรถยนต์ราคาแพงๆถึงช่วยไม่ได้ คนที่เขามีความทุกข์ในสภาพยอย่างนี้เขาทราบซึ้งดีอืแล้วก็มาแอบอิจฉาคนอย่างเราๆอะไรต้องชวนเข้าวัดบางคนแหมตอนนี้หมดยังไม่มีแรงเข้าจะเข้าวัดยังไม่มีแรงเข้าเลยแต่เลี้ยกันนะขนาดความพร้อมรับธรรมะไม่เห็นเหนทางอยู่แต่มันกลายเป็นไอ้ความทุกข์มันเข้ามากระจุกใส่บาตรยังทุกข์เลยใส่าบาตเนี่ยแต่ก็จําเป็นต้องฝืนต้องบอยก็ฝืน ไปใส่บาตเนะี่เหงื่อยังแตกเลยไม่มีกระใจใส่บาตดูหนังดูละครดูวิดีโอดูกีฬาที่ชอบมันหมดสนุกหมดเลยทําไมมันถึงไม่สนุกนี่ถามนี่นึกถึงตัวเองว่าเคยไหมด้วยนะไปเคยเห็นคนอื่นไหมันไม่สนุกเลยหมดลดหมดชาติกินอาหารที่ร้านไหนที่ว่าอร่อยอร่ก็หมดลดหมดชาติขึ้นเคือบินไปไปพักผ่อนที่ไหนเขางไม่มีกระใจจะไปดูอะไรเลยเหมืนอนเพื่อมันหมดพลังไว มันอยู่ที่ใจท่ท่านเองใช่ไหมใจเรามันมันเป็นทุกข์เนี่ยอะไรมันก็เข้ามาไม่ได้นอกเหนือนอกจากธรรมะเท่านั้นเราจบการบรรยายสาหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่าน